การสอบอารมณ์หมายถึงว่าเรานําเอาสิ่งที่เราได้ผ่านมาในการปฏิบัติม า, าศึกษามาวิเคราะห์ดูว่าเร า, าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์ที่เราผ่านมาวันนี้อย่างไรวันนี้มีอารมณ์อะไรบ้างที่ผ่านเข้ามา ซึ่งวันแรกเนี่ยมันก็จะหนักไปในแง่ของนิวรต่างพราร่างกายของเราจะต้องปรับตัวอย่างน้อยสองสามวันมันจะเต็มไปได้วยความหนักเหนื่อยปวดเมื่อยง่วงเงมันจะเป็นอยู่เพราะว่ามันปรับเพราะจิตของเรามันเคยไปเคยวิ่งไปนู่นไปนี่ตามตามที่มันชอบ แต่พอจู่ๆเราจับมันมาขังไว้เนี่ยมันจะดิ้นดินเหมือนนกป่าไก่ป่าที่มันเราจับมันมาขังในกรงนะมันจะดิ้นออกจากกรงสุดขีดเลยนะวิ่งจนกระทั่งว่ามันเหนื่อยมันถึงจะยอมแล้วถ้ามันมีกําลังมันก็จะวิ่งวนอยู่ในกรงในสูนนั่นแหะจิตของเราเหมือนกันมันเคย ไปเคยคิดตามต้องการที่เรายังไม่ได้เก็บอารมณ์น่ยแต่พอเรามาเก็บอารมณ์ปั๊บเนี่ยมันเราถูกจับขังไว้ในกรงมันจิตมันก็จะดิน้นพอดิ้นไปดิ้นมาร่างกายเราก็จะสู้ไม่ไหวร่างกายก็จะบอบจะหนักจะเหนื่อยจะปวดจะเมื่อยจะอะไรต่างๆด้วยการดิ้นของจิตแต่เราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกจิตได้สํานึก ในจิตที่มันดิ่นเนี่ยเราก็พยายามที่จะศึกษามันโดยเฉพาะในช่วงเก็บอารมณ์ที่เราจะต้องศึกษาจิตไม่ให้จิตเนี่ยไปติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้จิตเป็นกลางถ้าจิตไปติดฝั่งนิวรมันก็จะฟุ้งซ่านงุดงิด หนักเหนื่อยเมื่อยล้าหุดหงิดอะไรต่างไปติดฟังถ้าไปติดอีกฝั่งหนึ่งที่นี่นิวรณ์มันสงบมันก็ตีไปติดอีกฝั่งนึงมันจะไปติดความสงบความเบาความสบายจะตีอยู่สองฝั่งเนี่ยแต่ในหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องประคองจิตอยู่ในเป็นกลางนะเป็นอยู่กัปเปียคาพยายามเห็นอ่า สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะซึ่งก็ในการรักษาจิตให้ดำรงอยู่เ ต, ตรงกลางเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเรายัางประคองจิตไม่เป็นเนี่ยเราก็จะต้องทำบทกรรมฐานไว้ก่อนซึ่งในที่นี่เราเอาการเคลื่อนไวหวเป็นบทกรรมฐาน เพื่อพี่จะเป็นที่เก่อเกี่ยวรักษาจิตเอาไว้เหมือนกรงเหมือนสัตว์ที่มันยังไม่เชื่องเนี่ยเราจะปล่อยไม่ได้มันวิ่งเข้าป่าเลยเพราะมันยังไม่เชื่องมันก็ต้องจับใส่กรงไว้ก่อนจนกว่าจะฝึกให้มันเชื่องได้ถึงจะปล่อยได้จิตของเราในช่วงแรกมันยังไม่เชื่องมันจะวิ่งไปในอดีตอนาคตวิ่งไปหากิจการงานเรื่องราวต่างๆะ พอมันไปทางนั้นปั๊บมันก็มันไม่เอาปัจจุบันละมันไปอดีตอนาคตวิธีการปฏิบัติของเราก็คือใช้การเคลื่อนไหวเป็นตัวตล่อมจิตมาอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันมันกลงขังมันแต่จิตมันก็จะไม่ยอมง่ายๆกิเลสมันไม่ยอมง่ายเพราะมันได้อาหารมันก็จะวิ่งพุ่งไปในอดีตอนาคตมันก็จะวิ่งไปอย่าง รวดเร็วและรลุนแรงมันก็จะเหนื่อยในเบื้องต้นเนี่ยควเก็บอารมณ์ในเบื้องต้นสองสามวันจะเหนื่อยจะหนักอย่างเมื่อยจหิวจะเพลียจะอืึดอัดวุ่นวายครับคลองไปหมดพอจิตมันดิน้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างตัวผู้รู้ขึ้นมานะสร้างตัวผู้รู้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้อ่า รักษาจิตอยู่ตรงกลางไม่ให้มันไปกระแทกกลงมากเกินไปถ้ามันวิ่งชนกลงบ่อยๆมันก็จะมันก็จะบาดเจ็บนกพวกสัตว์ที่มันไม่เชื่อมเนี่ยมันวิ่งชนกลงจนหัวตลอกปอกเปิืกก็มีพวกไก่เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะวิ่งชนมันไม่ยอมอยู่ตรงกลางมันจะวิ่งชนอดีตอนาคต จนกระทั่งว่ามันเหนื่อยมันหนักมันเมื่อยมันเพลีย ม, มันหิวมันนิวรนทุกตัวมันเข้านะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ตัวการเคลื่อนไหวเป็นตัวเหนิวนาจะสามารถรักษาจิตไว้ตรงกลางได้ระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่ายังจะไม่อยู่เต็มที่ก็ตามดังนั้นเราจาเป็นต้องศึกษา อารมณ์แต่ละตัวที่มันเกิดในขณะปฏิบัติเนี่ยทีนี้สาหรับผู้ที่ยังศึกษาไม่เป็นก็จะไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่ติดฝั่งนิวรณ์มัง่งติดฝั่งสงบวังพ้นจากนิวรณ์ก็ไปติดสงบพนจากสงบก็ไปติดนิวรณ์ม่นยังรักษาจิตเป็นกลางไม่เป็นจิตเป็นกลางคือจิตที่ตื่นตัวจิตที่เป็นปัจจุบันนะแต่จะรักษายากสักนิดหนึ่งเพราะว่าจิตมันยังแกว่งค่อนข้างแรงอยู่มันยังไม่ค่อยนิ่ง ดังนั้นสติสัมปชัญญะเราจําเป็นต้องเข้มแข็งต่อเนื่องไว้ก่อนนะเพราะจะเป็นอย่างนี้สําหรับคนมีเวลาเก็บหลายวันในกิจวันในสัาสามวันแรกนี่ก็จะหนักเหนื่อยต่อการสู้กับอารมณ์ตัวเองมันก็จะมีสูตรของมันนะสิ่งที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนวิชาเราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ เมืนก็เราไปเรียนหนังสือมีวิชานั้นวิชานี้ชั่วโมงนี้วิชานั้นชั่วโมงวันหนึ่งหลายวิชาที่นี่ในวันหนึ่งในการศึกษากายศึกษาจิตของเราเนี่ยมันก็มีหลายวิชาเหมือนกันทีนี้แต่และ ว, วิชาเนี่ยที่เราศึกษาในโรงเรียนปีหนึ่งหรือครึ่งปีจะสอบวันทีหนึ่งแต่ในการศึกษาจิตเนี่ยมันสอบวันทุกครั้งที่มันเกิดผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้วิชาอะไรบ้าง ถ้าเราสอบผ่านมันก็เป็นวิชาถ้าสอบไม่ผ่านมันก็เป็นอวิชาเช่นวันนี้วิชาอะไรมาบ่อยที่สุดวิชาง่วงมาบ่อยไหมเ้าสอบผ่านไหมวันนี้ยมรักสอบผ่านไหมวิชาง่วงก็กพอได้ค่ะอสอบ <c oughs> <c oughs> ยังดีค่ะวิชานี้มาบ่อยนะ<ก>ล้ววิชาฟุ้ง มาบ่อยไหมไม่ฟุ้งเลย ม, ม่ฟุง้งนะเนเรียกว่าวิชานี้เราสอบผ่านวิชาไหนที่มันไม่มาไม่ได้นำเสนอขึ้นมาหม้ยคองวิชานั้นเราผ่านแต่วิชาไหนที่เรายังไม่ผ่านมันก็จะนำเสนอวิชานั้นขึ้นมาให้เราสอบอนอกจากวิชาง่วงแล้ววิชาปวดเมื่อยมาบ่อยัหมวิชาขี้เกียจมาบ่อยไห ม, ว, ไหมวิชาสงบ วิชาสงบหลับการนีแกอย่างอะ ไ, ไรเนาะโยมฟอจะติดสงบไปหน่อยมเมอนั้นะก็เป็นวิชาอันไหนที่มันเราไปติดนั้นตัวนั้นถ้าเราแก้ตกก็หมายความมันกลายเป็นวิชาถ้าแก้ไม่ตกมันก็เป็นวิชาต่อไปอันไหนที่มันสอบไม่ผ่านสิ่งนั้นก็จะมาหาเราบ่อยเหมือนก็เหมือนกับสอบตกอะเราสอบตัววิชาไหนเขาก็จะวิชานั้นให้เรามาสอบบ่อยๆมันไม่ต่างกันนะอนะ อันไหนอารมณ์ไหนที่มันมาบ่อยอารมณ์สงบมาบ่อยแสดงว่าเราตอบสอบตกวิชานั้นมันถึงมาบ่อยวิชาขี้เกียจจิตไม่เอาจิตไม่ยินตีจิตไม่พอใจมันก็เป็นข้อสอบที่เข้ามาให้เราเป็นโจทย์ให้เราเราสอบผ่านมันก็จะไม่มาลุกวนเราอีกแต่อาการเรณีที่มันมาลุกวนอีกก็แสดงว่าเราสอบไม่ผ่าน บางทีเนี่ยในวิชาเดียวเนี่ยเราต้องสอบอาสามชั้นอยู่เป็นหลายๆครั้ง น, นะเป็นหลายๆครั้งดังนั้นเองธรรมมาจะทําในลักษณะของการวิจัยไม่ใช่จะเอาอะไรการปฏิบัตินี่เราไม่ปฏิบัติเพื่อเอานะแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงเห็นความจริงเพื่อที่ให้จิตของเรามันฉลาดขึ้น จิตของเราเนี่ยมันมักจะไปติดโน่นติดนี่ติดนั่นไปเรื่อยๆเพราะมันไม่รู้มันจึงไปติดเพราะในการติดนั่นติดนี่ก็จะมีอุปัฏฐานขึ้นมาการยึดติดสงบเราก็ไม่เอาไม่สงบเราก็ไม่เอานะฟุ้งซ่านเราก็ไม่เอาสงบก็ไม่เอาง่วก็ไม่เอาแต่ไปห้ามมันให้ไม่ให้เกิดมันไม่ได้มันเกิดมาให้เราได้รู้เกิดมาให้เราได้เรียนเหมือนกับวิชาเนี่ยเราปฏิเสธ ที่จะเรียนวิชาไม่ได้แต่เราก็จะไม่ติดยึดติดวิชาใดวิชาหนึ่งแล่ก็จะเรียนพอให้มันผ่านไปดังนั้นในขณะที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะต้องตั้งสูตรในการเรียนไว้สประการหนึ่งอาตาปีเพียนที่จะกระตุ้น ตัวรู้สึกตัวให้ตื่นเสมอนะอาตาปีเพียนไม่หยุดทีเดียวนั้นคนที่จะเจริญสติได้ผลนะต้องเป็นคนขยันเป็นนิสัยนะแต่ถ้าคนขี้เกียจเป็นนิสัยยากจิตก็จะอ่อนแอไปติดสงบบ้างติดสบายบ้างไปติดความคิดบ้างนี่คือละคนอ่อนแอแต่ละคนขยันทำไมเขาขยันทำขยันรู้ขยันพิดิตรพิจรารณาขยัน เปลี่ยนขยันกำหนดรู้เอาอยู่อย่างนั้นแหละถามว่าได้อะไรบอกแล้วเราไม่ต้องการที่จะได้แต่ถ้าถามว่าเรารู้อะไรเรารู้รู้เห็นในสิ่งที่เราทำว่าสิ่งที่เราทํานะจิตเราเป็นอย่างไรเราเวลาเราง่วงเราต่อสู้กับห่วงเราต่อสู้อย่างไรเราออกมาจากคำความง่วงได้จิตเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายนั่นเราจะสู้นิวรณ์หลายตัวโดยเฉพาะนิวณ์ง่วเงาเนี่ยมันมีผลมาจากการมองอาหาร น, นหนึ่งนะอาหารก็เป็นเหตุเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปฏิบัติเข้มเนี่ยเรามักจะทานอาหารน้อ ย, อยไว้ก่อนแล้วก็อาหารเบาเบาถ้าอิสีของเรายังไม่เข้มแข็งแต่ถ้าอิสีของเราเข้มแข็งแล้วจะกินอาหารหนักก็ได้อาหารเบาก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ารู้เท่าทัน รู้เท่าทันนิวรณ์เหล่านั้นเมื่อรู้เท่าทันแล้วมันก็เอาชนะได้สบายนิวรณ์เหล่านั้นก็จะไม่ไม่มารบกวนนะอันนี้เราก็ต้องดูว่าเรามีความเข้มแข็งทางอีซีแค่ไหนถ้าอีซีแล้วไม่เข้มแข็งเนะี่ยเรากินน้อยความหิวก็รบกวนกินมากตัวนิวรณ์ก็รบกวนง่วงเหงาก็รบกวนแต่ถ้าอีซีเราเข้มแข็งแล้วกินมากหรือกินน้อยมันก็รบกวนเราไม่ได้ เพราเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ดูผู้ศึกษามันอยู่นั่นนี่ก็คือวิชานะที่เราจะต้องศึกษานอกจากนั้นที่เราจะต้องทําก็คือการเปลี่ยนอิเดียบทเราต้องขยันเปลี่ยนถ้าเราแช่ในอิเดยบทใดบทหนึ่งนานเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดโกสัจฉะคือความขี้เกียจแล้วเราก็จะแช่อยู่ในนั้นก็ได้นะแช่อยู่ในนั้นแต่ว่า มันไม่ทําให้เราตื่นตัวมันไม่เป็นการพอกพูนสังสมตัวสติแต่เป็นการพอกพูนสังสมตัวโมหะนั่งแช่อยู่เงนันเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเงาเดี๋ยวหลับเดี๋ยวปวดเดี๋ยวมาแชอ่อยู่เงั้นอันนี้ก็สั่งสมอวิชาไว้เรื่อยๆปฏิบัติแทนที่จะก้าวหน้าก็กลายเป็นล้าหลังเพราะอะไรเพราะเราไม่เกิดอาตาปีอาตาปีนี่เพียนเพียน เพ่งเพียนพิจรณาเพียนแก้ไขเพียนขัดเกลวเพียนปรับแต่งให้มันจิตมันเป็นกลางจิตมันเป็นกลางจิตมันรู้ตื่นแต่ถ้าอาไปเพียนลักษณะที่จะบีบบังคับจิตบีบบังคับกายแช่อยู่นะเขาเรียกว่าไม่ใช่อัตตาปีนั่นก็เลยเป็นโมหะเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านักภาวนาวของเรานี่เยอะนะแต่ว่าทําไมจึง ไม่สามารถเห็นผลเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้ชัดเจนจะละอะไรก็ไม่ชัดเจนจะปล่อยอะไรก็ไม่ชัดเจนมีอะไรก็ยังติดอึบนึบนับอยู่เพราะอะไรเพราะว่าขณะปฏิบัติเนี่ยตัวอาตาปีตัวเพ่งตัวเพียนตัวเผาเนี่ยไม่ชัดเจนแต่จะจะเป็นตัวแช่ตัวติดตัวยึดตัวขี้เกียจตัวยอมจำนวนพอให้ผ่านไปแต่ว่ามันผ่านไปด้วยแบบ สอบไม่ผ่านมันผ่านผ่านเดือนผ่านปีผ่านวันไปแต่ว่ามันก็ซ้ำชั้นนะอยู่ที่เก่ามาพวะมันไม่ผ่านราคาก็ไม่ผ่านโลภาก็ไม่ผ่านโทสะก็ไม่ผ่านติดซ้ำชั้นก็เคยงุนหงิดยังไรก็งุดหงิดมันเดิมไม่ผ่านเคยอยากเคยกินเคยโลภเคยหิวอย่างไรก็ติดอยู่างั้ยนะไม่ผ่าน เคยสนุกสนานในเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรก็สนุกสนานอยู่องั้นไม่ผ่านนี่ก็เรียกว่าสองไม่ผ่านเพราะมันไม่ผ่านอารมณ์ตัวขณะปัจจุบันด้ซ้ก่อนนะเพราะตัวขณะปัจจุบันเนี่ยวันนี้เราต้องรู้ว่ามีอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาบ้างหลังจากวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยเราย้อนหลังกลับไปดูอีกทีหนี่งตัวเราย้อนหลังกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าตั้งแต่เชา้าจนเย็นเนี่ยอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตของเราเท่าที่เราจําได้มีอารมณ์อะไรบ้างตรงนี้เขาเรียกว่า อสัมโมหะสัมปัญญานะอะสัมโมหะสัมยังเหมือนเราเดินทางไปแล้วเราเก็บแลหลังดูว่าเออเมื่อี้เราเดินผ่านมามันตกหลุมตรงไหนตกล่องตรงไหนเหยียบน้ําตรงไหนเหยียบห้องสะดุดหินตรงไหนเหยียบขี้ต ร, ตรงไหนเพราะอะไรเพราะวันต่อไปเราเดินกลับไปถ้าหากว่าเราไม่ย้อนกลับไปดูวันต่อไปเราเดินกลับไปตกลงที่เดิมอีกนี่เขาเรียกว่าเรามีสัมโมสัมโมหะ เป็นโมหะหมดเพราะไม่กําหนดรู้สิ่งที่ผ่านมาให้ชัดเจนวันต่อไปเราก็ไปตกล่องเดิมเลยแหละเพราะเราไม่ได้กําหนดรู้นี่เขาเรียกว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะคือไม่หลงลืมต่อภาวะอารมณ์ที่ผ่านมานั้นนักปฏิบัติเธอเก็บอารมณ์นี่ต้องเรียบเรียงใหม่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้าง เราแก้ไขอย่างไรโอ้ตัวนั้นเราลืมแก้ไขเราไปติดตรง น, นั้นตั้งหลายนาทีไปติดตรง น, นั้นหลายชั่วโมงโอ้พรุ่งนี้เราจะไม่ติดอีกนะตรง น, นั้นะโอ้มันผ่านง่วงมาง่วงเล่นงานเสียยามแย่เลยวันนี้พรุ่งนี้ต้องไม่โดนมาเล่นงาน อ, งนะอีกนะโอ้เราผ่านฟุ้งซ่านมาฟุ้งซ่านตรง น, นั้นไม่ผ่านณนะเวลาตรง น, นั้นเวลาเท่านั้นเราติดอย่างนั้นจับหมอนพรุ่งนี้มันไอตรงนั้นมันมาอีกนั่นแหละ เราพอเรากำหนดรู้วันนี้ทันพรุ่งนี้มันก็ผ่านนี่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะเพราะสัมปชัญญะทนแบ่งเป็นสี่ระดับระดับที่หนึ่งเท่เกากับศาสตรกะสัมปชัญญะคือรู้ให้ชัดว่าสิ่งที่กำลังทํามันมีประโยชน์อย่างไรเจริญสติการเดินจงกรมการสร้างจังหวนประโยชน์จริงๆเขามันคืออะไรถ้าเราเข้าไปรู้ตรงนี้ชัดเรียกว่าศา ธ, ธกะสัมปชัญญะนี้ถ้ารู้ไม่ชัดอะทํามั่วๆไปงั้นนะ นั่งหลับบ้างนั่งตื่นบ้างเคลื่อนไหวบ้างนั่งสมาธิบ้างสลับกันไปนี้แสดงว่าเราไม่มีสัตกะสัมปชัญญะแล้วแต่อะไรมันจะอยากมันก็ไม่เห็นผลชัดเพราะเราขาดสัทกะสัมปชัญญะถ้าเราจะกรรมฐานหมวดไหนให้ชัดเจนอารมณ์หมวดนั้นให้ได้จะไปดังเลสลับไปสลับมาถ้าสลังเลยสลับไปสลับมาเรียกว่าไม่มีสัตกะสัมปชัญญะเข า, าสําเร็จยาก สมัมปัญญารดับที่สองเรียกว่าสปายะสัมปัญญาหมายถึงว่าอารมณ์ที่ที่เราปฏิบัติอยู่กรรมาฐานที่เราสมถารปฏิบัติอยู่เนี่ยก็ความสบายกับเราไหมก็ความสะดวกก็ความที่เราปฏิบัติได้อย่างสนุกสนานไหมที่เราปฏิบัติได้คล่องตัวไหมที่เราปฏิบัติได้อย่างไม่บอบไม่เหนื่อยเกินไปไหมทำ แล้วรู้สึกมีความสะดวกสบายไหมนะเรียกว่าส ป, ปายะคือคือสะดวกสบายในการทําจะเดินจะเหินก็รู้สึกคล่องตัวไม่หนืดไม่เหนียวไม่ติดไม่ขัดนะจะเกิดความคล่องตัวว่างันเถิดส ป, ปายะสัมปชัญญะเราได้สํารวจอันนี้ไหมอันที่สองเนี่ยอันที่สามเรียกโคจรสัมปชัญญะ คือการโครจรของจิตเนี่ยวันนี้จิตของเราโครจรไปไหนบ้างนะในช่วงการเคลื่อนไหวนี่ยจิตของเรามันได้โครจรไปกับกายหรือเปล่าหรือว่ามันโครจรไปอีกที่หนึ่งกายอยู่ตรงนี้จิตมันโครจรไปตรงนั้นเรารู้ทันไหมถ้ารูู้ตรงนี้ไม่ทันเราเรียกาขาดโครจรสัมพัชัญญะจิตกับกายไม่โครจรไปด้วยกันโครจรไปคนละที่ฮะ เหมือนเด็กเลี้ยงควายอะ่ะเจ้าของมันไปทางนึงควายไปทางหนึ่งควาย ม, มก็หายมันไม่ไปด้วยกันแต่ถ้าหาว่าควายอยู่ที่ไหนเจ้าของอยู่ในควายมก็ไม่หายกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นการเคลื่อนไหวอยู่ไหนการตื่นรู้อยู่ที่นั่นนี่ก็เรียกว่ามีโคจรร่วมกันนะคือไปด้วยกันโคจรสัมปพัช ญ, ญะแล้วก็การในขณะขยับขับขึ้นเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ตลอดเวลา กายกับใจโคจรเพื่อใหมันตึงรู้อันที่สี่คือลอะอสัมโมสัมปชัญญะที่กล่าวมาเบื้องตน้นคือหลังจากที่ผ่านพ้นอารมณ์นั้นมาทั้งวันแล้วเนี่ยทั้งชั่วโมงถ้าวันหนึ่งมันไกลไปตัวสอบมันทุกชั่วโมงก็แล้วกันหรือใกล้เข้าไปก็นึงตัวสอบทุกห้านาทีสิบนาทีว่าเรากำลังเป็นอารมณ์อะไรเราผ่านอารมณ์นั้นได้หรือยังเหลียวมองดู ผ่านไปแล้วกลับไปมองดูที่จะเดินาปหน้ากลับมองดูตัวสอบอยู่ตรงนั้นการทบทวนตรวจไปสอบมาจางนี้เรียกว่าอะสัมโมหสัมปชัญญะซึ่งถ้านักปฏิบัติขาดองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยยากในการที่จะทำตัววิปัสนาอิเข็มแข็งได้ส่วนใหญ่เราไม่แยบคายไงตัวแยบคายเป็นโดยสำคัญสำหรับนักปฏิบัติ พราะนปฏิบัติบางคนปฏิบัติมาจริงหลายหลายปีสิบปี20ปีแต่ก็ยังติดนะติดเหมือนเดิมและติดลูกติดเสียงติดกินติดรดติดอาหารติดการกินติดความสะดวกสบายติดเพื่อนติดฟุ้งติดของเล่นติดอารมณ์อะไรพวกนี้มันยังติดอยู่มันไม่ผ่านก็เพราะว่ารายละเอียดของสัมปชัญญะสีประการไม่เข้มแข็ง นักปฏิบัติที่ต้องการความก้าวหน้าดังปฏิบ <pent> ัติต้องเอาจริงเอาจังต่อการตรวจสอบแต่ว่านักปฏิบัติที่เออเลยตามเลยเรื่องตามเรื่องใดก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่ก้าวหน้าปฏิบัติผ่านไปกี่ปีกี่ชาติก็เหมือนเดิมดังนั้นเองต้องพยายามศึกษาอย่างจริงจังอาจมานั้นมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนเอ คือเมื่อก่อนเรเป็นคนจับจุดอมักงายหยาบเราร้อนรุนแรงแต่หลังจากเราได้เห็นโทษของมันนะเห็นโทษความจับจุดความมักง่ายความเราร้อนเร็วแล้วเราได้เห็นโทษมันได้รับโทษจากมันมากมายนะเมื่อได้รับโทษจากมันแล้วเราก็เริ่มศึกษามันเอ๊ะทาไมอาการเหล่านี้มันจมเกิดกับเราทําไมซ้ําๆเราจึงเอาชนะมันไม่ได้ พอหลังจากเรามาเจริญสติแล้วเราเริ่มตรวจสทีละอย่างทีละอย่างทละอย่างทีลอย่า ง, า ง, างนิสัยที่เคยหยาบโลนจับจดมักง่ายกลายเป็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะอะไรเพราะเห็นโทษเช่นก่อนนะไม่ใช่จู่ๆจะเปลี่ยนได้ในใจของเรานี้นะต้องเห็นโทษในเรื่องนั้นจริงๆเราถึงจะเปลี่ยนจากสิ่งนั้นได้เมื่อเห็นโทษได้รับความทุกข์จากมันได้รับความอ่า เดื อ, อดร้อนกับมันเราก็จึงศึกษาในการที่จะเปลี่ยนนี่เขาเรียกว่าศึกษาเหตุของทุกอเลสาสต์ต้องศึกษาให้เห็นโทษขอกมันอืมจิตของเราเนี่ยที่มันคิดแบบซ้ำซากมันให้โทษแล้วทวยเดอรอีกอย่างไรนะเราลองดูทำไมมันถึงคิดมันไม่คิดไม่ได้เลยอ่าแล้วมันอยากจะทำมันไม่ทำไม่ได้เดียมันจะตายหรือยังไงต้องบางครั้งต้องตรวจสอบตัวเองอย่างเข้มข้นข น, ขนาด น, นั้นเลยนะ งั้นกิเลสมันไม่ยอมเพราะกิเลสมันเคยชินกันไหนมันก็จะเอาแดดนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าตรวจสอบอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าไปเข้าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราแก้ไขตัวเองได้ <c oughs> ในว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรดสัมผัสเนี่ยเราแก้ไปทีละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างมันเป็นเรื่องสนุกถ้าเราทําได้นะแต่ถ้าเราทําได้โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนก็เหมือนเดิมเคยติดยังไงก็ติดอย่างนั้น เพราะเราขาดความแย่ขายนะงนั้นความแยบขายจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญในการปฏิบัติทีนี้ไอาการเคลื่อนไหวที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยบางคนก็ถามนะเอ๊ปฏิบัติไปนานขนาดไหนท่านมาถึงจะหยุดได้จะต้องนั่งเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละเอา้าถ้าคุณเกิดมาถ้าคุณไม่เคลื่อนไหวคุณก็ตายแล้วคุณกลัวมันทำไมจะเคลื่อนไหวอะ่ะนะ คุณก็เคลื่อนไหวไปสิยกมือสร้างจักว่าไปเดินโยกคนไปมันไม่ได้เสียหายอะไรนี่เนี่ยคุณไปคิดไว้ก่อนว่าเมื่อไหรจะหยุดได้ถ้าตราบใดคุณไม่เกิดปัญญาคุณหยุดมันไม่ได้หรอกฮะท่านาก็บอกเงี้ยเมื่อไรคุณเกิดปัญญาเนี่ยแหละคุณที่จะหยุดมันได้ถ้าคุณไม่เกิดปัญญาคุณไปหยุดมันคุณก็ผิดถ้าคุณไม่เกิดปัญญาคุณไม่หยุดมันก็ผิดว่าเดีว่าคุณเกิดปัญญาเมื่อไหร ถ้าเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันจะรู้ว่าจะเคลื่อนไหวแบบไหนมันถึงจะถูกเคลื่อนไหวแบบไห น, นถึงจะผิดนะดังนั้นต้องศึกษาไปโดยวิธีการของพระเทีนทําให้เกิดปัญญาประการเดียวสุขก็ไม่เอาทุกข์ไม่เอาสงบไม่เอาลิดเด่นไม่เอาปฏิหารไม่เอาเอาได้ปัญญาอย่างเดียวแล้วปัญญาตัวนี้แหละมันจะเข้าไปสง่งทะลุเห็นอะไรชัดเจนหมดแล้วมันหายสงสัย เมื่อหายสงสัยแล้วเนี่ยมันมีความมั่นใจเมื่อมีความมั่นใจแล้วมันก็จิตของเราก็นิ่งอย่างนี้ถ้าตราบไดไม่มีความมั่นใจในในในธรรมที่เราปฏิบัติจิตแล้วนิ่งไม่ได้มันโดสงสัยไม่ได้มันวอกแวกมันหวั่นไหวมันคิดมันปรุงขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างงั้นแหละถ้าตราบไดเรายังเอาอันนั้นบ้างเอานี้บ้างนะอยากเพราะว่ามัน มันมันจิตของเรามันแบ่งเนะี่ยจิตของเราจําเป็นต้องพุ่งไปไปกระแสะเดียวนะเห ม, มือนกับไฟแสงไฟฉายนะีถ้าสมมุติว่าเอาหน้าเลนมันออกนะกระแสะมันแบ่งไปทั่วลวมันจะไม่พุ่งไปไกลเห็นก็ไม่ชัดแต่เมื่อไรเรารวมนะรวมแสงทั้งหมดเป็นเป้าเดียวกันนะเขาเรียกใส่โฟกัสเข้าไปแสงนั้นจะพุ่งไปลําแสงเป็นไกลทีเดียวนะเราก็เห็นแจ้งชัดจิตของเราเหมือนกัน พยายามคิดอ น, นุบังอนุบงังอันนี้บา ง, นนบางไปเนี่ยจิตของเรามันแบ่งแบ่งกระแสมันจะมีพลังมันจะไม่แจ้งมันจะเห็นไม่ชัดเมื่อเห็นไม่ชัดมันก็ยังสงสัยขมขมัวไปอย่างนั้นแหละแต่พอเรารวมพลังจิตให้มันเป็นพลังจิตให้มัน เ, นเกิดแสงสว่างทางปัญญายชัดๆเชียวพอเรียกว่าเอกขต า, า, าจิตนะให้จิตเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำนะแล้วมันก็จะเห็น ความจริงที่เราส่องดูชัดทุกในร่างกายเขามันดูเข้าไปทุกอนุทุกเซลล์ตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คนเราไม่สนใจที่จะมาดูนะจะดูร่างกายก็ดูเผลอน่นนะดูชั้นเป็นใครสวยหรือไม่สวยขี้เละหรือเป็นยังไงตรงนั้นถูกตรงนั้นไม่ถูกตรงนั้นดีตรงนั้นเราเค่ดูแบบนั้นแต่เราไม่เคยดูมันในแง่ของความรู้สึก เราดูในแง่ของมันเป็นพยัญชนะเป็นดุลเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นเราเป็นเขาเราดูแบบนั้นถ้าดูแบบนั้นไม่เป็นประโยชน์ในการกรรมฐานมันจะขอให้เกิดอัตตาโดดตดแต่ถ้าดูในแง่ของกรรมฐานหรือในแของปัชนาต้องดูในแง่ของเป็นมันเป็นที่ตั้งของอะไรที่ตั้งของการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของความรู้สึกสุขทุกเป็นที่ตั้งของความแตกต่แสกสลาย และดูไม่ใช่ดูแบบนึกคิดนะโอ้ไอนี้มันเปลี่ยนแปลงงนี้โอ้ไอนั้นเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นโอ้มันเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นขบวนการทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกเป็นบูรณาการเห็นอันนีจังก็เห็นทุกขังเห็นนัตตาเห็นทุกขังก็เห็นอนนี้จังเห็นนัตตาเห็นอนัตตาก็เห็นทุกขังเห็นอนนี้จังเป็นอันเดียวกันเลยแยกไม่ออกสมมุติเราพูดเ่อมีดอย่างเนี้นะมันไม่ได้แยกว่าคมไว้สันว่าด้ามว่าเหล็กว่าไม้นะ มีก็คือมีทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกนันเรพูดถึงการเหตุของทุกข์นะมันก็คือเหตุของทุกข์มันมีทั้งหมดนีอยู่ที่ปรากฏขึ้นก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันจะเห็นเป็นกระบวนการของความรู้สึกสุขว้างทุกข์บ้างสบายบ้างไม่สบายบ้าง อ, อันเก่าดับไปอันใหม่เกิดขึ้นมามันก็เฝ้าดูสิ่งเหล่านี้และเฝ้าดูอย่างสนุกนะ ไม่ใช่เฝ้าดูอย่างที่จะจับจะจ้องจะต้องจะเอาไม่ใช่เฝ้าดูมันอย่างเหมือนเราดูหนังอะหนังมวนที่หาหรือโหดอยู่เป็นปวะจับนะหนังมวนนีไม่มีหนังที่มันเป็นสนุกสนานอะไรหรอกอหนังมวนถุกขังมวนอนิจังมวนอ น, นัตานเนี่ยท่านบอกให้ดูมันจนเป็นไว้สีดูให้ชวิ ช, ชนานาญดูจนขนาดไหนดูจนเกิดวิลาคา เกิดความจางคลายเกิดการสำรอกดูจนเกิดนิโรธ า, ามันสลัดแบบไม่เหลือดูจนเกิดปฏินิสขาสามารถสลัดทิ้งได้นะถ้าไม่ที่เราสวดมาเมื่อกี้อ่ะให้มันเป็นเห็นอ น, นิจจานุปสัสสีเห็นเวลาคาเห็นนิโรธาเห็นปฏินิสขา ถ้าิตของเรามันยังไม่เบื่อหน่ายใครจางขณะนั้นมันไม่สลัดทิ้งหรอกมันยังคว้ามายึดมาถือมาปรุงมาแต่งอยู่อย่างนั้นแหละนะดังนั้นในการปฏิบัติวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยมามั่นใจพันเปอร์เซนต์เลยว่ามันจะทําให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาที่แหลมคมลึกซึ้งมองทะลุปูโป๋อะมันไม่เคยลังเลเลยเอ้ยอันนี้ใช่หรือเปล่านั่งมันไม่สงบมันสงบหรือเปล่าอะไรไม่เคยลังเลเลย มีใจแต่ทะลุทะลวงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะแต่นักเบี 8, 9, ยดแปดสิบเก้าสิบยังลังเลเฮ่ทําไมจิตไม่สงบเรานั่งสมาธิดูเสนอให้จิตสงบโอ้จิตฟุ้งซ่านทําสมาธิเสนอให้มันหายสงบอ้าวทาไมไม่ดูอ่ะฟุง้งทําไมไม่ดูฟุง้งอ่ะไปไปไล่ไปหนีฟุง้งทาไมอ่ะมันไม่สงบอ้าวทำไมไม่ดูความไม่สงบไปหาความสงบทําไมอ่ะ ถ้าเป็นเรื่องแปลกนะอะไรมันเกิดให้ตามดูอันนั้นไปนะในขณะที่ตามดูเรื่องนั้นๆแล้วเราจะเห็นความจริงนะเพราะฉะนั้นให้ตามดูอะไรเกิดที่เราสร้างจังหวะเดินจูงเพื่อกระตุ้นให้อารมณ์มันเกิดนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวมันมาเกิดให้เราเห็นแนละ้ยิ่งเกิดมันเราก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งรู้ยิ่งรู้แล้วก็ยิ่งสว่างนะงั้นการปฏิบัติจึงไม่มีควาว่าขี้เกียจหรือขยัน ถ้าเรามีขี้เกียจมีขยันอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจการปฏิบัตินะปฏิบัติเนี่ยถ้าหาปฏิบัติถูกมันเป็นการผ่อนคลายไปในตัวถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันการเกร็งเครียดบีบบังคับเราเหมือนกักขังตัวเองแต่ถ้าเราปฏิบัติให้ถูกมันมันผ่อนคลายนะมันมันกลับมาดู แต่ถ้าจิตของเรามันยังสี่วรยังไม่สงบก็แน่นอนอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นเรามันจะต้องวิ่งออกไปอดีตนาคตอยู่เพราะมันเคยเพอจิตเรามันเคยไปอยู่กับอดีตนาคคตจนชินพอมาอยู่กับปัจจุบันแล้วมันอยู่ไม่เป็นทีนี้ยตรงนี้แหละเราจะต้องใช้น่วยตัวหันติตัวปัญญาเข้าไปกดข่มไปปราบปราบมันบ้างนั่นก็คือคอยตะล่อมมาอยู่ในปัจจุบันหรือมันจะดิ้นยังไงก็ตะล่อมมันมาก่อน จนกว่ามันจะเกิดปัญญาฉลาดขึ้นมันจะรูะ้ความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ค่อยขามดาวค่อยสงบองมันเองนะดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่อยากจะให้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องสนุกๆแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันสนุกไม่ได้เพราะว่าจิตของเรามันเคยปล่อยไปนานแล้วเมื่อะตะล่อมเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่โอ้ก็มาทานเป็นสิ่งที่น่าทที่สุดเลยนะ แล้วมันก็จะเป็นที่อยู่กรรมฐานจะเป็นที่อยู่ของจิตแล้วเมื่อเข้าใจกรรมฐานนั้นจิตของเรามันก็จะคุ้นเคยกับอนิจจังทุกข์อนัตตาเมื่อก่อนจิตมันไม่ชอบนะไม่ชอบความทุกขเวทนาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอันไหนที่มันถูกใจก็อยากให้มันอยู่ไปนานๆอันไหนที่ไม่ถูกใจก็อยากให้มันหมดไปเร็วๆ แต่พอมันว่าเข้าใจอย่างนี้มันไม่ละมันไม่เข้าไปปฏิเสธก็ไม่ได้ไปยอมรับแต่เข้าไปศึกษายอมรับความเป็นอนิจจังของรูปของนามยอมรับความเป็นทุกข์ของรูปของนามยอมรับความภาวะที่ทนไม่ได้ภาวะที่หายไปของรูปของนามภาวะไม่คงที่ต่างๆยอมรับแล้วก็ประครับประคองจิต ให้มาอยู่กับตัวรู้ผู้รู้อยู่เป็นประจำไม่ดีใจเมื่อได้อารมณ์ไม่เสียใจเมื่เสียอารมณ์นะไม่รู้สึกทรมานใจเมื่อเกิดทุกขเวทนาไม่รู้สึกดีใจเมื่อเกิดสุขเวทนามันจะเห็นสภาวะธรรมต่างๆแล้วเป็นผู้ไปเหนืออารมณ์นั้นๆแต่อารมณ์นั้นก็แสดงบทบาทเหมือนเดิมอ่ะ น, นิจจังก็ยังทําหน้าทีเหมือนเดิมทุกขังก็ทํำนาทีเหมือนเดิมอนัตตาก็ทํำนาทีเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะ ร่างกายนี้มันเป็นรูปมันเป็นที่อยู่นิจังทุกครั้งตาอยู่แล้ว <c oughs> เป็นหน้าที่ของเราอย่าให้อ น, นิจังทุกขั ง, งตาของรูปเนี่ยไปสร้างนามมารูปขึ้นมาอีกเท่านั้นแหละเมื่อไหร่ถ้าเราปล่อยให้อนิจังทุกขังตาไปสร้างนามมารูปขึ้นมาปั๊บนามมารูปก็เป็นตัวฝังเป็นเหตุปัจจัยของทุกต่อไปอ่ะเป็นเป็นสมุทยัยนะเป็นสมุทยัยซึ่งอันนี้จะแก้ยากขึ้นเพราะนิจังทุกขรังหน้าตาของรูปมันแก้ง่าย แต่นี่จางทุกขรังนาครังนา ม, มารูปแก้ยากเพราะอะเพราะมันเป็นตัวกึ่งนามมาทำแล้วแต่ถ้ามันเกิดกระลู่แล้เป็นนามเป็นรูปล้วนๆแก่ง่ายสัมผัสได้แต่ต้องได้แต่ถ้าไปเกิดกับนามมะรูดมันครึ่งรูดครึ่งนามยากล่ะทีนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เท่าทันปัญญาไม่เกิดก็เอามันออกมาได้มันก็เดินหน้านไปเรื่อยๆแหละจากนั้นเองเราจึงประมาทไม่ได้ในทุกวิเดียบทในช่วงที่ของเราฤทธิ์นี่นะ อันนี้หมายถึงว่ามาพูดถึงในบรรยากาศลีทรีทที่เราต้องปฏิบัติแบบนี้แต่ถ้าออกจากวงการลีทรีทไปแล้วนี่จะเอาไงก็ได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องเกิดทักษะในการใช้ถ้าเราออกจากลีทรีทไปก็หมายความเราได้วิชาที่จะนําไปใช้แล้วแต่ในช่วงลีทรีทนี่จะต้องศึกษาในรายละเอียดนั่ใช้คําว่าที่เราสวดอะอัศมีตรีสิกขาต ทยอมศึกษาว่าทํากายสังขารให้สงบระงับอยู่จากหายใจออกเราก็ควนศึกษาว่าทํากายทำจิตสังขารให้สงบระงับจาหายใจเข้าเราเราศึกษาเท่านั้นนะเราไม่ได้เอาเราศึกษาทําความเข้าใจแต่เราทาความศึกษาว่าเราทํากายสังขารให้สงบระงับอยู่จากยกมือขึ้ น, นทํากาย สังขารในสกลระงับอยู่จากยกมือลงแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวะแทนที่จะเป็นตัวการลมหายใจเราพึงความศึกษาว่าทําจิตจากทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ยกมือขึ้นทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ยกมือลงอเขาเปลี่ยนมาเอานี่มาเป็นกรรมฐานมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละอันนั้นที่เราสวดมาเมื่อกี้จากอสันโตภะษาสันโตที่เราสวด ที่คังว่าอาซา ส, สันโตที่คังอาซาซามิติประชาชนเร า, ารู้ชัดประชานาติวันะนั้นนะดังนั้นเราจะเห็นว่าบทเหล่านี้เป็นบททฤษฎีแต่ถ้าเราตีแตกเราประยุกต์ใช้เป็นแล้วมันอันเดียวกันไม่ว่าเรื่องลมหายใจไม่ว่าเกิดเคลื่อนไหวแต่อันไหนมันสะดวกวกว่ากันอันไหนมันง่ายกว่ากันเราก็อันนั้นสำหรับในอีซีของเรานะ ดัง น, น, นั้นในช่วงแต่ละเชา้าแต่ละเย็นช่งชวงเช้าเป็นการศึกษาเรื่องตัวบทที่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวแต่ช่วงเย็นนี่จะพูดในเรื่องรายละเอียดของอารมณ์และการจัดการอารมณ์ให้ฟังแล้วเราพึงเอไปเทียบว่าวันนี้เราอารมณ์ตัวไหนบ้างที่เราบานมาจัดการอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสัมปชัญญะสี่เนี่ย อยาจะให้ไปทุบทนดูว่าหนึ่งอารมณ์กรรมฐานที่เรากําลังสมถารปฏิบัติเราเห็นประโยชน์เห็นอ น, นิสงส์มันชัดเจนแล้วหรือยังถ้าเห็นประโยชน์อนิสงส์อารมณ์กรรมฐานที่เราทําอยู่เช่นเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราเข้าใจมันได้หรือยังว่ามันให้ประโยชน์อย่างไรมันให้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเรีย ว, ว่าศาสตร์ศาสตรสัมปชัญญะถ้ายังไม่ชัดเจนไปทดทนมตรวจสอบไม่ชัดเจน นะอันที่สองทำยังไงให้มันรู้เสือทำแล้วคล่องตัวสบายไม่อึดอัดขาดเครื่องทำแล้วกาหนดรู้ได้ง่ายนะจะไปจะมาสามารถที่จ ะ, ะกาหนดรู้ได้ง่ายอันที่สามโหจระสัมปชัญญะกายกับใจไปด้วยกันตลอดเวลาหรือแยกกันไปคนละที่ละทางหรือบางครั้งอยู่ด้วยกันบางครั้งแยกกันให้รู้เท่าทัน อันที่ 4, สี่อัโมหะเวลาเราปฏิบัติไปผ่านไปแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีให้ตรวจสอบเหลียวหน้าแลยหลังดูเสมอว่าอารมณ์อะไรกําลังผ่านไปอารมณ์อะไรกําลังดำลงอยู่อารมณ์อะไรกําลังจะเกิดขึ้นต่อไปตรวจสอบตรงนี้เรียกว่าอัศ ม, มหะนะเะนั้นเองการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าได้เพราะเราเป็นคนที่ ละเอียดเราขอบเรียวนิสโอมนัสการแม้อย่างก้าวของเรียบททางกายเรายัางละเอียดได้แล้วทางจิตใจมันก็จะละเอียดได้เพราะฉะนั้ น, นการที่ละเอียดเข้าไปสู่ด้านจิตด้านใจด้านอารมณ์ได้เราต้องละเอียดไปจากอีเดียบทหยาบๆนี่ซะก่อนละเอียดไปจากรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสนี่ซะก่อนละเอียดไปจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่ซะก่อนมันถึงจะเข้าไปสู่จิตได้ ถ้าในระดับตาหูจมูกลิ้นกายที่เราสัมผัสได้อย่างละเอียดไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์เลยในระดับรูปเสียงขิดลดสัมผัสเรายังละเอียดไม่ได้ในการรับรู้สัมผัสเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตมันก็จะเป็นไปไม่ได้และนั้นก็จึงอยากจะให้ไปพิจารณาเพื่อในวันต่อไปเราก็จะได้ผ่านอารมณ์นั้นง่ายๆถ้าหากเราได้เห็นบทเรียนเห็นวิธีการจัดการกับมัน นะไม่ว่าจะเป็นนิวรตัวไหนก็ตามนะเข้ามาแทนที่มันจะเป็นอุปสรรคแต่มันกลายเป็นอุปกรณ์นะมันกลายเป็นกอนน้ำมันสามารถจะให้เราจมตายก็ได้มันสามารถที่จะทำให้เราเป็นที่แล่นเรือไปสู่ฝั่งก็ได้แล้วตอเราจะใช้แม่น้าเป็นที่ จมตัวเองหรือเป็นที่แม่น้ําไปชี้แล่นเรือไปสู่ฝั่งอารมณ์นิวรณ์เราจะใช้ให้มันจมตัวเราเองก็ได้เราจะใช้ให้มันเป็นที่ผ่านของอารมณ์ไปสู่ฝั่งแห่งความรู้ก็ได้แล้วแต่เราจะเข้าไปจัดการกับมันเพราะฉะนั้นเราจะไปปฏิเสธนิวรณ์ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดกับรูปความนานเพราะเป็นนิจังทุกคังงนาตานิวรณ์ก็คือนิจังทุกขังงนาตานั่นแหละแต่ว่าเราไปแยกประเภทให้เห็น ตัวต้นหองมันให้ชัดเราก็ใช้ตัวนิวร น, นั่นแหละเป็นพาหาะเป็นที่เล่นเรือไปสู่ฝั่งของจิตนั่นเองน ะ, น ะ, นะช่วงเย็นวันนี้เราได้ให้อารมณ์กันแค่ น, นี้นะเราเป็นตัวสอบตัวเอง